แปดสิเกสปีติกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสสิบสองสภาวธรรมที่มีปิติอาศัยสภาวธรรมที่มีปิติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีปิติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีปีติเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีปีติเกิดขึ้น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 และถึงอาศัยขันสองกระตัตรรูปอาสัยปีติเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยปีติเกิดขึ้นปีติอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตร <Research and technique> ูปหนึ่งพึงเพิ่มจับปีติกะทุกระให้เหมือนกับสวิตติกาทุกระในที่ทุกแห่งในที่ทุกแห่ง ปวัติการและปฏิสนธิการมีฆาวาระหนึ่งปัจจญานุโลม 2. สองฉัมคยาวาระสุทไนร้ยสี่สเฮตุปัจจใจมีฆาวาระอารมณปัจจใจมีฆาวาระอธิปติปัจจใจมีฆาวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระละถึงกรรมปัจจใจมีฆาวาระวิปากปัจจใจมีฆาวาระ และถึงอวิค ต, บบตาา ะ, ปะปัจจัยมีฝ้าวาระ 2. ปัจญยปัจญิยะหนึ่งวิพังฆ่าวาระนเหตุปัจจัยร้อสี่สิสภาวะธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติ อาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปปัตย์ใจได้แก่ปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปปัตยจได้แก่ขันสามปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวะธรร ม, ม cool er ที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปีติเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุตกะขันสามและกัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นและถึง ขันสองและกตะดตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นฮาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยฮาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาสัญญัตตพรมโมหะที่โ ส, สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปิติ Ion, อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติอาศัยปีติที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยปีติเกิดขึ้นร้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติ และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีปีติและอาศัยปีติและมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้น 2. ปัจจยะปัจจนยะ 2. สังคยาวาระสุทไนร้อยสี่นเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระนอานอรมณปัจจัยมีสามวาระ นาที่ปฏิปัจใจมีเก้าวาระนอนันตร์ปัจัยมีสามวาระละถึงนอุปิเสียปัจัยมีสามวาระนาบุเรชาตาปัจใจมีเก้าวาระนปัจฉาชาตปัจใจมีเก้าวาระนอาเสวนปัจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจใจมีเก้าวาระนอาหารปัจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะคะปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระณนัธิปัจจัยมีสามวาระโณวิขตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตะวาระพึงทำอย่างนี้แปดสิปีติกทุ ก, กะสามปัจยะวาระ 1>, 1. ปั จ, จยานุโลมเป็นต้นร้อสเจสภาวธรรมที่มีปีติทำสภาวธรรมที่มีปีติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อปะวัติการและปฏิสนธิการมีเก้าวาระบริบูรณ์เหมือนปัจญาวาระฝ่ายอนุโลมในสวิตกะทุกกะปีติไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ อารัมณปัจจัยมีกล้าววาระอธิปติปัจจัยมีกล้าววาระแ um ละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล้าวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่มีปิติทำสภาวธรรมที่มีปิติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีปิติทำสภาวธรรมที่ไม่มีปิติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัย พึงเพิ่มทั้งปวัติการและปฏิสนธิการเหมือนกับปฏิจจวาระพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัตตพรมจักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีปิติและปีติธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทัจจะ สทำขันที่สหรครด้วยวิจิกิชาและที่สหรครด้วยอุทจฉะและท ร, รมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกับอนุโลมมีเก้าวาระเฉพาะปะวัติการเท่านั้นปฏิสัธิันธ์ไม่มีมีเพียงโมหะอย่างเดียวเท่านั้นนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระหน้าอรมณปัจจัยมีสามวาระหน้าิปติปัจจัยมีเ้าวาระหนอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึง นาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนาอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาอาศุวนปัจจัยมีเ้าวาระนากรมมปัจจัยมีเ้าวาระนาวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นจจมนะัมมคคะปัจจัยมี9้าวาระณัสนะัมบุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปุญตปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจนิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้89ดสัปปีติขทุกะหสังจัตถาวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้น ร้อสภาวธรรมที่มีปีติเาากิดรคนกับสภาวธรรมที่มีปีติเพราะเหตุปจัจจัยละถึงเหตุปัจจัยมีหกวาระอรระารมะณปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระอวิคตปาปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบหนเหตุปัจจัยมีหกวาระหน้าทิปฏิปัจจัยมีหกวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีหกวาระนาอเซวนาปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะฆะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจญิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุญตวาระพึงทำอย่างนี้ ปีติกะทุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุตปัจใจร้ยสี่สบเก้าสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปชัญญขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ปีติและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่จมปรยุติขันปีติและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมีปีติโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีมีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตระหันและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยร้อยห้าสิบสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันธ์ที่มีปีติขันธ์ที่มีปีติจึงเกิดขึ้น พึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่มีปีติขันที่มิมีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบขันที่มีปีติขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น ร, ร, ร้อยห้าสบเอ็ดสภาวธรรมที่มิมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยระมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ ด, ด้วยจิต ท, ที่ไม่มีปีติ พิจรารณาด้วยจิตที่ไม่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคาที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมาะจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่มีมีปีติละถึงพระอริยะออกจากมาออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่ไม่มีปีติ พระอริยะพิจารณานิพพานด้วยจิตที่ไม่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแห่โคตรภูโวทานมักผลอาวชนะจิตที่ไม่มีปีติและปีติโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลที่ไม่มีปีติซึ่งละได้แล้วด้วยจิตที่มีปีติละถึงพิจารณากิเลที่ขมได้แล้วรู้กิเลที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุหาทัยวัตถุ ขันที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่ไม่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพาราะแปลรบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักผุโทธทภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยระมณะปัจจัยขันที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาน จโตปริยญาณโอเพนิวาจานุสติญาณเณษฐากัมมูปะคยานอนาคตังสยานอาวั จ, จนะจิตและปีติโดยอารมณ์ปัจจัยเพราะปรารกขันที่ไม่มีปีติและปีติขันที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารรความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคาที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติพระอริยะออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่มีปีติพระอริยะพิจารณานิพพานด้วยจิตที่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแห่โคตรภู โวทานมรรคและผลที่มีปีติโดยอารมณปัจจัยพระอริยะพิจารณาคิเลสที่ไม่มีปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณาคิเลสที่ขมได้แล้วรู้คิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุหาทัยวัตถุขันที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคาที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปราลบขันที่ไม่มีปีติและปีติขันที่มีปีติจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยรมณปัจจยัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโโบสดด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณาด้วยจิตที่มีปีติยินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลด้วยจิตที่มีปีติพระอริยะพิจารณานิพพานด้วยจิตที่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโอทานมักผลที่มีปีติและปีติโดยระมณะปัจจัย พระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่มีปีติซึริละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติด้วยจิตที่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เทียมละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น เพราะปราลบขันที่ไม่มีปีติและปีติขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่ไม่มีปีติและปีติขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น152สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่มีปีติและปีติขันที่มีปีติจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารกขันที่มีปีติและปีติขันที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นพึ่อเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่มีปีติและปีติขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย153สภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติ อรมนาทิปติได้แก่เพราะธรรมขันธ์ที่มีปิติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีปิติจึงเกิดขึ้นชาชาตาทิปติได้แก่ธิปดีธรรมที่มีปิติเป็นปัจจัยแฝ่สำยุตตะขันโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีปิติเป็นปัจจัยแฝ่สภาวะธรรมที่ไม่มีปิติโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมนาธิปติและชาชตาธิปติ อารมณนาธิปติได้แก่เพราะธรรมขันธ์ที่มีปีติให้เป็นอารมณ์หนักแน่นขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นชาติชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่ปีติและจิตตะสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาธิปปติและสหาชาตาธิปปติอารมณนาทิปปติได้แก่เพราะทำขันที่มีปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มิมีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สัมนพยุติขัน์ปีติและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย154สภาวะธรรมที่มิมีปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยทิฏฐิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ด, ด้วยจิตที่ไม่มีปีติพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานที่ไม่มีปีติออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติพระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีตินิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโอทานมักพระสมาบัติที่ไม่มีปีติและปีติโดยทิปฏิปัจัย บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหไทยวัตถุขันที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่ไม่มีปีติเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดข <ว assemble S 2> ึ้นเพราะทำขันที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่ไม่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นสจตาิปติได้แก่ อธิปฎิธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สมประยุติขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติจจได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ด, ด้วยจิตที่ไม่มีปีติยอ่อนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระภู วัวทานมรรคและผลที่มีปีติโดยท ป, ป, ปติปัจจัยบุคคลยินดีเพล่ดเพลินจากสุหาไทยวัตถุขันที่ไ ม, ม, ม, ม, ม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่มีปีติเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทําขันที่ไม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีปีติจึงเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยธทปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานย่อนิพพานเป็นปัจจัยแห่โคตรภูวัวทานมักผลที่มีปีติและปีติโดยทปติปัจจัยบุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุขหาทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติ ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่มีปีติเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีปีติและถึงทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะทําขันที่ม่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นร้อห้าสหสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารามณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีปีติจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีมีปีติและปีติจึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันที่มีปีติและปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่มีปีติและปีติจึงเกิดขึ้น <service> ราปัจจัยเป็นต้นร้อห้าสภาวะธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอนตราปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแค่ขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนัตตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแค่ขันธ์ที่ไม่มีปีติและปีติที่เกิดหลังๆโดยอนัตตรปัจจัย จิตติจิตที่มีปีติเป็นปัจจัยแห่อุปาติจิตที่ไม่มีปีติภวังคจิติที่มีปีติเป็นปัจจัยแห่ออวชนะจิตขันธ์ที่มีปีติเป็นปัจจัยแห่วุทธานะที่ไม่มีปีติมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบาสซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแห่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาภวังคจิติที่มีปีติเป็นปัจจัยแห่ภวังค์คติที่ไม่มีปีติกุศลและอกุศลที่มีปีติ เป็นปัจจัยแก่วุฒธธานะที่ไม่มีปีติยิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒธธานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแกข่ขันที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยร้อยห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ปีติที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ปีติที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีปีติซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูรละถึงภะสมาบัติที่ไม่มีปีติและปีติโดยอนันตระปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลปีติที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแข่ขันท ja ี oh ่มีปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแข็อุปติจิตที่มีปีติอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีปีติขันที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแข่วุานะที่มีปีติมโนท่าที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแข็มโนวิญญาณท่าที่เป็นวิบากซึ่งมีปีติพวังคจิตที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่งพวังคจิตที่มีปีติ ปุสสนและอกุศลที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่มีปีติกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตราปัจจัยในวาสัญญาณาสัญญาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติ โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ปีติที่เกิดคนก่อนเป็นป okay. ัจจัยแก่ขันที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยร้อห้าสิสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่มีปีติและปิติที่เกิดนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่มีปีติโดยนันทรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ม네ีปีติและปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ปีติที่เกิดหลังๆโดยนันทรปัจจัยจุติดจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่มีปีติผวังขจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแห่อาวชนะจิตขันธ์ที่มีปีติและปีติ เป็นปัจเจกแห่งวุฒานะที่ไม่มีปีติมโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากซึ่งมีปีติและปีติเป็นปัจเจยแห่มโนวิญญาณธาที่เป็นกุริยาพระวังกจิตที่มีปีติและปีติเป็นปัจเจกแห่งพวังกจิตที่ไม่มีปีติกุศลและอกุศลที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแห่งวุธานะที่ไม่มีปีติคิริยาเป็นปัจเจกแก่งวุฒานะผลเป็นปัจเจกแห่งวุฒานะโดยนันทรปัจจัย สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมณันตรปัจจัยมีก้าววาระเป็นปัจจัยโดยสหชารปัจจัยมีก้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอัญญามัญญะปัจจัยเมีฆ้าวาระเป็นปัจจัยโดยนิจญยปัจจัยเมีฆ้าวาระอุปาณิจญยปัจจัยร้อยห้าสก้าสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอุปาณิจญยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมโูปานิจญาอันันตารูปานิจญยและปกะตูปานิจญยปกะตูปานิจญยได้แก่ขันธ์ที่มีปีติ เป็นป analysis, ัจจัยขัดข sì ันที่มีปีติโดยอุปาินียปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีปีติเป็นปัจจัยขัดขันที่ไม่มีปีติและปีติโดยอุปาินียปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีปีติเป็นปัจจัยขัดขันที่มีปีติและปีติโดยอุปาินียปัจจัย1้อยสภาวะธรรมท LES ี่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยขัดสภาวะธรรมที่ไม um ่มีปีติ โดยอุปานินสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาเนสยาอันันตารูปาเนสยาและปะกะตูปาเนสยะปะกะตูปาเนสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ด, ด้วยจิตที่ไม่มีปีติทำฌานที่ไม่มีปีติวิปัสนามาัจอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n นะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติ ปัญญาอภิญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเสนาชนะและปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่มีปีติทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่มีปีติเสนาชนะและปีติเป็นบจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีปีติต ค, ตวตความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมัก พละสมาบัติและปีติโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติออกจากชานที่ไม่มีปีติมีมา n ะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติเสนาชนะและปีติแล้วให้ทาน ด้วยจิตที่มีปีติทาสมาบัติให้เกิดขึ้นรักทรัพย์ด้วยจิตที่มีปีติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลียวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นค่าชาวบ้านค่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่มีปีติเสนาสนะและปีติเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีปีติ ป, ต ป, ป, จจ ป, ตปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฐิ ความปรารถนามรรคและพระสมาบัติโดยอุปิเซสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอุปิเซสยปัจจัยอุปิเซสยปัจจัยมีสามอย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติรำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีปีติ เสนาสนะและปีติแล้วให้ทานด้วยจิตที่มีปีติธทำสมาบัติให้เกิดขึ้นรักทรัพย์ด้วยจิตที่มีปีติเหมือนกับทุติยวาระข้าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่มีปีติเสนาสนะและปีติเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาที่มีปีติ ป, ต ป, ป, ป, ตปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนามารรภะสมาบัติและปีติโดยอุปาณิยัตปัจจัย สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอุปิเซสยปัจจัยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่มีปีติโดยอุปิเซสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันท์ที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแห่ขันท์ที่มีปีติและปีติโดยอุปาเนสิยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่มีปีติและปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีปีติและปีติโดยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยร้อยหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยขับสภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุด้วยจิตที่ไม่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะป ร, ะรารุบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่ไม่มีปีติโทมณตและถึงปีติจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปเพื่ออิจักขุโผทะพายตนะเป็นปันจจัยแครายวิญญาณละถึงวัตถุอุเรชาตะได้แก่ จกักขายตนะเป็นป so ัจจัยแก่จักผูวิญญาณปรายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีปีติและปีติโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาตและวัตถุปุเรชาตอรมณบุเรชาตได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุด้วยจิตที่ไม่มีปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพ ร, ราะปลารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่มีปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุบริชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีปีติโดยบริชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติ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 วัตถุปุเรชาตะได้ แ, àn, แก่พาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีปีติและปีติโดยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นต้นหสองสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนาปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยธรมมปัจจัยมีหกวาระ เพิ่เพิ่มสหชาตะและนานาคณิกะนานาคณนกะมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหาราปจใจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจใจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยมัคคะปจใจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตาปจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ เป็นปัจจัยโดยอัติปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงเพิ่มให้เหมือนกับสวิตตกระทุกะเป็นปัจจัยโดยนัติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 2. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระ 163. เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปติปัจจใจมีห้าวาระอานันตระปัจจใจมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจใจมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจใจมีห้าวาระนิจยปัจจใจมีห้าวาระอุปนิจยะปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเซวณปัจจใจมีห้าวาระพระมปัจจัยมีหกวาระ วิปากะปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทริยะปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมัคคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอะวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ อนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระร้อหกสสสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอรมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและกามะปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอรมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัย ปัชาตปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมะปัจจัยห65สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัปุเรชาตปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัย อุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยร66สภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติโดยอารมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัย สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่มีปีติและไม่มีปีติโดยอรมณ์ปัจจัยสหาชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยแม้การนับปัจจนียวิพังก็เหมือนกับสวิตตกะทุกะแม้ถ้ายังไม่สมกันก็พึงพิจารณาเอาอนุโลมนี้นับเข้าไว้ด้วยพึงทำการนับสองอย่างนอกนี้ด้วยสปีติกะทุกะจบ เาสิบปีติสหคตะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระร้อหสเจดสภาวธรรมที่สหะรโค ด, ด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหะรโค ด, ด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหะรโค ด, ด้วยปีติเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองพึงขยายปีติสหัคตะทุกกะให้พิจารณาอย่างนี้ เหมือนกับสบปิตระทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันการระบุความไม่แตกต่างกันปีติสหัคตะทุกะจบ